ไม่อยู่วัดหรืตึกอยู่วัดไม่ตึกไม่อยู่เราเลี้ยงลูกเนี่ยพวกนักบอลเลี้ยงลูกรับลูกส่งลูกอะไรนักฟุตบอลอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะพระพุทธเจ้าท่านเคสอนไว้บอกบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตร ถ้ามีแล้วก็ต้องเลี้ยงนะไม่ใช่ไม่ปรารถนาแล้วเอาไปใส่ถังขยะต้องรับผิดชอบผลงาน mm hmm. คือเราเพิ่มอะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะที่เป็นของเราภาระก็เพิ่มมาทุกอันนะ mm hmm. พระพุทธเจ้าเลยพยายามสร้างโมเดลให้เราดูนะั mm ่น hmm. สังคมของพระให้มีน้อยๆมีน้อยๆ ย, ยก็อยู่ได้อะไรเนงะี้ย แต่พระทุกวันนี้ไม่น้อยไม่น้อยหลวงพ่อก็มีเลยไม่รู้เยอะแยะเลยโยมนี่แหละตัวสำคัญนะชอบขนอะไรมาให้เราจนเราไม่รับไว้เราก็เกรงใจบางที <c oughs> พอเผลอๆเราก็แจกต่ อ, อรือโยมนะชอบมนันิมนให้หลวงพ่ออายุยืนๆ น, นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามทำสิ่งซึ่งทำให้เราอายุสั้น เช่นหาอาหารที่คอเลสเตอรอลสูงมาถวายมีวิธีหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่ทำให้อายุยืนนะันคือมีปีติเง็มทภาวนาให้ดีๆนะหลวงพ่อจะได้อายุยืนถ้าภาวนาหลอยถ้วยตลอดชาติแล้เราก็ไม่รู้อยู่ทำอะไรพระพุทธเจ้ากวา่าจะตรัสรู้นะลำบาก ลำบากมากพวกเราลำบากเหมือนกันแต่ลำบากไม่มากหรอกอาศัยได้ศึกษาธรรมะที่ท่านสอนถ้าศึกษาให้ดีก็ไม่ลำบากมากถ้าศึกษาไม่ดีมันก็เหมือนกับพยายามหาด้วยตัวเองนั่นแหละลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆยากแสนยากไม่มีหรอกคนที่ลองผิดลองถูกไปได้ด้วยตัวเองเว้นแต่สะสมบา ร, รมีม า, มามากแล้วนั่นหมายถึงว่าเคยฟังธรรมมาเยอะแล้วเคยปฏิบัติมาละ ในชาติก่อนๆชาตินี้ทําง่ายคือถ้าเราภาวนาไปมากๆนะเราจะรู้เลยในเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความหลุดพ้นเนี่ยมีสิ่งที่หลอกลวงให้เราหลงได้เต็มไปหมดเลยทุกแง่ทุกมุมเลยหลอกให้หลงได้ตลอดทางนีคนคนหนึ่งที่จะเดินลุยๆไปโดยไม่พลาดออกข้างซ้ายข้างขวาเลยเนี่ยอันนั้นหมายถึงว่าบารมีดเต็มอะ ถ้าบามียังไม่ถึงนะั้นก็ตกอยู่ข้างทางไปเรื่อยๆติดทางโน้นทีข้างนี้ทีข้างซ้ายทีข้างขวาทีไม่ติดไปอยู่ในการรมก็ติดไปอยู่ในข้างการบังคับตัวเองมีอยู่เท่านั้นเองแต่กว่าพระพุทธเจ้าเสด็ตรัสรู้ได้ท่านลองผิดลองถูกนานมากนานกว่าเราเยอะเลย่วนะนสุดท้ายท่านก็นั่งลงไปที่ต้นโพตั้งใจว่าไม่ลุกขึ้นมาแล้วล่ะ พวกเรายาวอย่างนะตายแน่นอนท่านตั้งใจงั้นได้ไหมายถึงว่าท่านมั่นใจล้วท่านมั่นใจแล้วนะหรือไม่ก็ท่านภาวนามาจนสุดขีดแล้วลองมาทุกแง่ทุกมุมจนไม่มีทางจะไปต่อแล้วถึงจะภาวนาขั้นสละชีวิตเนี่ยหมายถึงต้องลองผิดลองถูกมาเต็มที่แล้วนะจนจิตมันหมดหนทางที่จะไปต่อล้ว ถึงตรงนั้นที่ต้องสละชีวิตในการภาวนาท่านก็คงลองมาเต็มที่ละตอนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะก็ลองเสวยกรรมาสุขอยู่กับกามมาสุขออกมาเป็นนักบวชท่านก็มาลองอัตยกิลมัฐานุยโยกลองยังสุดปัญญาแล้วนะมันเป็นทำไม่ได้วันนั้นฉันข้าวเสร็จนะก็ามานั่งที่ต้นโพตั้งใจว่าไม่ลุกขึ้นมาละ อันนี้หมายถึงว่าใจมันพอแล้วไม่รู้จะไปยังไงแล้วตายก็ตายแล้วล่ะช่างมันเถอะเสร็จแล้วท่านก็ทำความสงบเข้ามาหายใจตอนท่านเด็กๆพ่อเคยพาท่านไปแลกนาแล้วก็เอาท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นว่าหรือต้นไหนแล้วท่านก็เลยทำอนาปนาสติคราวนี้ท่านก็กลับมาทำอนาปนาสติใหม่ ของเก่าเห็นมของเก่าเนี่ยสำคัญนะล้วพวกเราถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยบางคนภาวนาแล้วมันมีอะไรขึ้นมาอันแรกๆนันแหะของเก่าต่อจากยอดเดิมนั่นแหละทำง่ายที่สุดเลยนี่ท่านทิ้งยอดเดิมของท่านท่านเที่ยวไปหาอันอื่นยอดเดิมของท่า น, นท่านทำอาณาปนสติจิตท่านรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาไม่นั่งเอาเคลิมนะไม่นั่งเอาปิญญาสมบัติใดๆ พอท่านภาวนาหายใจไปนะจิตท่านรวมจิตท่านสงบแล้วก็ไม่ได้สงบลึกจนขาดสติไปนะสงบแล้วท่านก็รู้ลงปัจจุบันในตาราก็าบอกว่าท่านพิจารณาปฏิจจสมุ ป, ปบาทบอกว่าอะไรมีอยู่ทุกข์จึงมีอยู่พระชาติมีอยู่ทุกข์จึงมีอยู่เนี่ยอะไรมีอยู่ชาติจึงมีอยู่เพราะพบมีอยู่ชาติจึงมีอยู่ เราอ่านผิวเผินเงี้ยเราคิดว่าท่านนั่งนึกเอาในความเป็นจริงท่านก็จเจริญสติปัฏฐานเงี้ยท่านรู้ปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือทุกปัจจุบันคือกายกับใจท่านรู้ลงปัจจุบันเลยตัวที่นั่งหายใจอยู่เนี้ยอะไรมีอยู่สิ่งนี้ถึงมีอยู่เนี้ยตัวนี้กายใจนี้ถึงมีอยู่ท่านดูจากของจริงนะถ้าไม่มีสภาวะธรรมรองรับเนี้ยไม่ใช่ของจริงไม่ใช่วิปัสสนา ก็ไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนากระทั่งพระพุทธเจ้าก็ทําสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าท่านนั่งนึกเอาเองแล้วก็บรรลุหลายคนจะอ่านประวัติท่านนะถ้าไม่ได้ภาวนาเนี่ยบางทีตีความผิดเลยนึกว่าท่านคิดเอาเองโอ้ท่านสะสมบา ร, รมีมาม า, มากท่านเลยคิดออกโดยไม่ต้องเจริญสติปัฏฐานเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เจริญสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น ท่านไม่เคยพูดนะว่าพระพุทธเจ้ามีทางสายที่สองพระเจ้าก็ต้องเดินทางสายเอกนี้เหมือนกันคือทําสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องรู้กายต้องรู้ใจไหมท่านก็เลยรู้ลงมาที่กายที่ใจเพอท่านรู้ลงมาเนี่ยสติปัญญาที่มันแก่รอบนะมันทบท บ, ท, บทวนขึ้นมานี่มาจากไหนเวลาที่พวกเราภาวนานะเวลาเราเห็นสภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นเนี้ย จริตนี้ใสของบางคนซึ่งมันรักในปัญญาชอบการศึกษาค้นคว้าต้องการความแตกฉาบมันจะค้นคว้าลงไปในสภาวะนั้นมันจะรู้ว่าสภาวะนี้คืออะไรรู้แค่นี้ไม่พอมันจะรู้ว่าสภาวะนี้ทําหน้าที่อะไรรู้แค่นี้ก็ยังไม่พอมันรู้อีกนะว่าสภาวะนี้เมื่อทําหน้าที่แล้วจะเกิดผลเป็นยังไง ร, รู้แค่นี้ไม่พอมันรู้ถึงขนาดที่ว่าอะไรเป็นเหตุให้สิ่งนี้มีอยู่ถึงจะพอ ปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านก็แก่รอบจนต้องไล่ไลมาถึงเหตุ น, นี้นั้นอะไรมีอยู่นะรูปนามนี้ถึงมีอยูนะย่ท่านแจ้งขึ้นมาเนี่ยเพราะมีชาตนะิเพราะมีชาติถึงมีตัวทุกข์นี้ชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันได้มาเพราะอะไรนะท่านดูจากของจริงนะเป็นลาดับลาดับไปปัญญาท่านแก่รอบนะท่านดูลงไปจนถึงเหตุของมันได้ อันนี้ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เป็นนะเวลาพวกเราภาวนาเจอสภาวะแปลกๆเคยมีไหมใจมันจะเวียนกลับมาดูอยู่เรื่อยเลยสภาวะนี้มันไม่เลิกมันจะคอยวนเวียนกลับมาดูเรื่อยจนวันหนึ่งปิ๊งรู้ว่ามันเพราะอะไรพอรู้ว่ามันเพราะอะไรตั้งแต่นั้นไม่เอาอีกแล้วเข้าใจแล้วใจวางยอมวางอันนี้เนี้ยท่านทวนทวนท ว, วนมานะใจท่านทวนมาไม่ใช่ตัวท่านคิดทวนนะ ใจท่านอนะ่ะมันถวนกระแสเข้าไปด้วยค้นเข้ามาถึงเหตุเป็นลําดับลําดับไปนะแต่ละขั้นตอนของปฏิจจสมุปบาทล้วนแต่แสดงถึงความไม่มีตัวตนทั้งสิ้นตัวทุกข์คืออะไรคือรูปรนามเป็นตัวทุกขนะ์ตัวชาติคืออะไรคือความได้มาซึ่งรูปนามตาหูจมูกลิ้นไก่ใจนี่เห็น ไ, ไหมตาหูจมูกลิ้นไก่ใจก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรมีอยู่ตัวนี้ถึงมีความปรุงของจิตคือพบ ความจิตมันปรุงพบขึ้นมาพบปรุงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะตันหาใช่ไหมพบก็ไม่มีตัวตนนะพะเป็นตัวสังขารพบเป็นตัวสังขารขันเนี่ยองคธรรมของมันนะแต่ละตัวแต่ละตัวจะไม่มีตัวตนว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาพบมีเพราะมีมีอุปาทานมีตันหาตันหาอุปาทานคืออะไรองคธรรมของตันหาอุปาทานคือโลภะ โลภะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยตรงนี้ท่านยังไม่ปิ๊งนะท่านั้ดูต่ออีกนะดูต่อไปอี ก, อ, อ, กอะไรมีอยู่นะก็มีเวทนาก็มีตัณหาไล่ไล่ไล่จนสุดท้ายปิ๊งตรงอาวิชา อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจว่าไม่มีตัวมีตนเห็นมท่านทวนมาไล่เรื่อยเลยนะองค์ธรรมของสภาวธรรมทั้งหลายในปฏิจจสมบาทแต่ละขั้นแต่ละตอนรุวนแต่ไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาท่านทวนทวนทวนมาจะมาปิ๊งตรงถึงอวิชชานี่เองเพราะความไม่รู้ความจริงว่ารูปนามไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา จึงไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาไปหยิบไปฉวยไปยึดไปถือเอาขึ้นมาแล้วก็เลยเอาตัวทุกข์เข้ามาอยู่ในหัวใจตัวเองนี่ท่านถวนถวนลงมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าบางองนะบางองค์ท่านเร็วท่านไม่ไล่มาถึงอวิชชาหรอกท่านไล่มาถึงวิญญาณอะไรมีอยู่เนอรูปนามถึงมีอยู่เนี่ยเพราะวิญญาณมีอยู่รูปนามถึงมีอยู่เขามาถึงตรงนี้ท่านปิ๊งนะว่า จริงไม่มีตัวมีตนอะไรท่านก็ละเอาวิชาไปเลยะยั้นแต่ละองค์แต่ละองค์นะสุดท้ายก็ตรัสรู้อริยสัจนี่แต่ตรัสรู้ด้วยดีกรีที่ลึกไม่เท่ากันพระองค์แค่นี้เข้าใจละ้วยอมวางล้วบาองค์ที่ปัญญากล้ามากๆทวนลงมาทวนลงมาอีกพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าที่ปัญญาแก่กล้าที่สุดเงินพวกที่ปัญญาแก่กล้านี่เหมาะมากเลยที่จะเรียนธรรมะกับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ บางองค์ท่านมีวิริยะมากใช้ความเพียนเอาลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะสอนลูกศิษย์ก็คงสอนให้เองทําไปเถอะแล้ววันหนึ่งเองแจ้งครูก <c oughs> สอนอย่างนั้นเพระท่านทำมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนด้วยปัญญาสอนให้เรารู้สภาวะลงไปพระพุทธเจ้าบางองค์ท่านก็แตกฉานเรื่องสมาธิเป็นสมาธิกะท่านนั่งสมาธิมากแล้วตรสรูขึ้นมา ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละแต่เจริญสติปัฏฐานอยู่ในสมาธิเป็นหลักงั้นเวลาท่านสอนสาวกเอ้าทุกคนนั่งค <c oughs> งอย่างเดียวกันนี้แหละท่านทํามาอย่างไงท่านก็สอนอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าของเราปัญญากล้ามากเลยแต่ว่าพวกเราเนี่ยปัญญาไม่กล้าเท่าท่านนึกออกไหมงันฟังท่านนะเหมือนรู้แต่ไม่รู้จริงต้องหัดเจริญสติ มีสัมมาสมาธิขึ้นมานะปัญญามันถึงจะมีท่านยน้าเลยนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้ด้วยศรัทธานะไม่ใช่ด้วยวิริยะไม่ได้ด้วยศีลนะไม่ใช่ด้วยสมาธิแต่ถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญามีขึ้นมาได้ก็อาศัยคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายเกื้อกูลนั่นเองถ้าไม่มีศีลไม่มีอะไรสมาธิอะไรขึ้นมาปัญญามันก็ไม่มีหรอก อกุศลมันจะครอบงําจิตจนปัญญามันเกิดไม่ได้จิตมันขุ่นมัวถ้าจิตมันผ่องใสนะปัญญามันถึงจะเกิดสังเกตไหมเวลาเราภาวนาใจเรามืดมืดโม่โม่ไม่มีปัญญาหรอกนะมีเหมือนกันแต่เรียกว่าปัญญาอ่อนนะแต่เวลาใจเราภาวนาใจเราผ่องใสเห็นไหมสภาวะอะไรไหวกระดุกกระดิก๊กเล็กๆน้อยๆนยนะัก็รู้หมดเลย รู้ตัวสภาวะที่ปรากฏนะรู้ลึกลงไปถึงการทํางานของมันรู้ถึงผลจากการทํางานของมันรู้ถึงเหตุให้เกิดของมันเนี<ม>่ยแต่ละคนรู้ไม่เท่ากันนะแต่ว่าสิ่งที่รู้เหมือนๆกันก็คือไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาใค่ดูนะไม่ยากอะไรหรอกง่ายจริงๆนะง่ายแต่ว่าอย่าปฏิบัติเหมือนวัวเหมือนควายเอาแรงเข้าแรกอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเดินเดินไปเรื่อย บางคนคิดนะเดินจงกรมทั้งวันแล้วบรรลุหรือนั่งทั้งวันแล้วบรรลุอะไรเงี้ยมันต้องมีสตินะเดินด้วยความมีสติยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนั่งด้วยความมีสติยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนันสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมีสติมีปัญญาในการปฏิบัติทุกขั้นทุกตอนทุกรูปแบบขาดสติขาดปัญญาไม่ได้ขาดสติขาดปัญญามันก็เดินก็เดินไปงั้นเองเหมือนคน ทำงานนะทำสวนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเดินทั้งวันเด็กที่วัดเนี่ยตัดหญ้าทั้งวันอะไรย่างเงี้ยเดินไปทั้งวันนะมันเห็นมันบรรลุเลยเพราอมตัดหญ้าไปนโทรศัพท์มือถือไปนะไม่บรรลุหรากมัรู้อะไรก็ไม่รู้บางทีมันคุยเพลินมันตัดต้นไม้เราทิ้งไปเยอะเลยนะถ้าเป็นที่อื่นนะคงหักเงินเดือนจนไม่เหลือเงินเดือนนี่เราก็ไม่ว่าอะไรนะโอ้มันพลาดกันได้มันพลาดแทบทุกวันเลย ้ะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่บรรุเห็นไหมไม่ได้เนะเดินทั้งวันนั่งทั้งวันเห็นไหมนั่งทั้งวันแล้วบรรลุนะัพวกเป็นอามภพาดบรรลุไปแล้วแหละนะเขาไปไหนไม่ได้นั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับทีไ่ไม่เกี่ยวกับอิริยาบถหรอกเกี่ยวกับว่าในอิริยาบถนะั้นมีสติไหม <S <s แต่ว่าอิริยาบถเป็นส่วนช่วยนะ ย่งหลวงพ่อบอกว่าปัญญาสําคัญนะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าคุณธรรมตัวอื่นไม่สําคัญตัวอื่นอื่นนะส่งขึ้นมาให้เกิดปัญญาอิริยาบทนี้ก็ช่วยส่งให้เกิดสติเร็วๆได้แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปเดินจงกรมอย่าไปนั่งสมาธินะบางคนต้องเดินเดินลูกเดียวเลยนั่งไม่ได้นั่งแล้วหลับก็ต้องเดินเอาเดินสักขาบวมเลยนะมีท่านหนึ่งเดินสักขาบวมเลยเดินไม่ได้ท่านก็คลานเอา ครานไม่ได้นะท่านก็ลงนอนกลิ้งไปกลิ้งมาพลิกไปพลิกมาแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนี้อยู่ในตำรานะยุคนี้ยังไม่เคยได้ยินยุคนี้ขึ้นไปเดินอย่างนั้นก็ขาบวมเฉยๆเพราะว่าขาดสติขดาดปัญญาแต่ถ้าทำอย่างมีสติปัญญาดีนะมีมีผลดีครูบาอาจารย์บางองค์อยาให้เดินจงกรมเพราะว่าจิตใจบางคนมีโมหะมากเสื่องซึมไปเดินเนะี่ยดี บางคนหลวงพ่อก็ไล่ไปเดินนะแต่ไม่แต่หลวงพ่อเวลาสอนให้เดินจงกรมหลวงพ่อพิธีพิถันมากไม่ใช่เดินสงเดชไม่ใช่เดินวางฟอร์มสวยๆนะเดินช้าๆผิดธรรมชาติยกเท้าย่างเท้านะหรือเดินต้องสำรวมเดินซึมจะ้ะงั้นไม่ไดนะ้สิ่งที่สำคัญมากคือสติงั้นอย่างเวลาคนมาเดินจงกรมให้หลวงพ่อดู ขัดสติไม่ได้นะมีหน้าที่คอยรู้ทันเห็นร่างกายมันเดินไปเห็นจิตใจมันทํางานไปอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเดินชงกลมนะถ้าเดินแล้วใจลอยเรื่อยเปื่อยไปดูนาฬิกาเรื่อยเมื่อไหร่จะครบเวลาหรือ บ, บางคนนับจะนับเที่ยวนะวันนี้จะเดินไปกลับหนึ่งพันเที่ยวรีบจ้าใหญ่เลยครบพันเที่ยวจะได้ไปเที่ยวต่อน ะ, อ, ะอย่างนี้เรียกเดินอาระยะทางไม่ได้กินหรอกเดินสนองกิเลสชัดๆเลย หรือเดินเอาเวลาวันนี้จะเดินสมชั่วโมงเดินมันเมื่อยเนาะแอบคิดโน่นคิดนี่ไปวุ้ยสมชั่วโมงแล้วะวันนี้ภาวนาดีไม่ได้ดีหรอกนะขาดสติไม่ได้มีสติรู้กายรู้ใจตรงปัจจุบันนะกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านยังต้องรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเลยท่านถึงจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะั้นเราอยากเก่งกว่าท่านนะบางคนไม่ยอมรู้กายรู้ใจภาวนาแล้วไปรู้ความว่างน้อมใจไปหาความว่างมีเยอะนะ บางคนไปสอนดูจิตสอนดูจิตนะแต่ไม่ไม่ใช่รู้สภาวะจิตที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงไม่ได้ดูภาษาไทยสอนดูจิตเป็นภาษาอังกฤษดีโอดูทำมันตลอดเลยทำจิตเป็นอย่างง้นทาจิตเป็นอย่างนี้ทำจิตไม่ใช่วิปัสสนานะไม่ใช่ว่าน้อมจิตไปเป็นอย่างนั้นเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยบังคับจิตทำให้มันโปร่งโปร่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ทั้งสิ้น มีปรัชนาแท้ๆแล้วก็กลายเป็นยังไงต้องรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปดัดแปลงมันต้องคอยรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาใช้เวลาไม่นานนะคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อตอนนี้นะก็เข้าใจมาเป็นลําดับลําดับนะภาวนาดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับมามีเยอะแยะนะเยอะแยะเมื่อไม่กี่วันนี้เม่อวันจันทร์มีคนทางอีสานคนหนึ่งไม่เคยมาหาหลวงพ่อนะเขียนจดหมายมา แค่บอก่ดูบอลยูโรดูคงดูมาทุกคืนอ่ะคืนนี้ดูดูไปแล้วก็นึกได้ว่ามัวแต่ดูบอลไม่ได้ดูจิตเลยนขอดูจิตหน่อยดูบอลไปดูจิตไปบอลไม่สนุกเลยวันนี้เจืดชืดนอนดีกว่าะเรียกลูกเรียกเมียเข้านอนเนี่ยลูกเมียคงแทบช็อกเลยว่าไอ้นี่มันไม่นอนมาหลายวันพาชวนกันนอนนะพอนอนเคลิ้มๆเนี่ยได้ยินเสียงคนงัดประตูบ้านได้ยินเสียงคนงัดประตูนะ ตกใจขึ้นมาเห็นใจที่กลัวนะเห็นใจที่กลัวเลยแล้วก็เดี๋ยวก็เห็นใจทําอย่างงอนเห็นใจทําอย่างนี้ขึ้นมะาบอกเสร็จแล้วใจมันรวมเข้าไปมันเห็นน่ใจนี้มันมืดมืดมัวมัวนะรวมอยู่พอรู้มันอย่างเป็นกลางแนละ้วมันแหวกออกอีกทีแสงสว่างเกิดขึ้นมาใจก็เบิกบานร่าเริงขึ้นมานะบอกร่าเริงอยู่สองวันเลยมีความสุขอยู่สองวันนะ เห็นเลยมันไม่มีตัวมีตนอะไรแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้พยากร น, นะมันรู้แบบใครจะไปรู้ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเ อ, าเองเขาเขียนเล่ามาก็เล่าต่อเท่านั้นเองเล่ามาจิงป่ากก็ไม่รู้นะอาจจะแต่งขึ้นมาก็ได้ <c oughs> คนที่มาศึกษาธรรมะนะสังเกตตัวเราเองที่เราศึกษามาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมหชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นธรรมะนี้เมื่อศึกษาแล้วมีความสุขนะ มีความสุขคนที่มาเรียนจากหลวงพ่อที่จํานวนมากเลยดเดี๋ยชีวิตจิตใจเปลี่ยนเคยมีทุทกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นจิเลสไวแวบก็รู้ทันรู้ทันเรื่อยๆชีวิตมีความสุขขึ้นได้ได้หลวงพ่อก็มีหน้าที่พูดให้ฟังไปเรื่อยๆเพราะพระพุทธเจ้าสั่งไว้พระพุทธเจ้านะมอบหมายงานให้พระสาวกนะให้สาวกทั้งหลายไปประกาศธรรมะ ที่งามในเบื้องต้นในถ้ากลางในที่สุดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจนํานวนมากนี้หลวงพ่อก็มาประกาศธรรมะใช่ไหมพวกเราจํานวนมากได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเรียกว่าหลวงพ่อทําหน้าที่สนองคุณพระพุทธเจ้านะเพราะงั้นเราก็ทําหน้าที่ของหลวงพ่อแล้วพวกเราก็ต้องทําหน้าที่ของเรานะศึกษาของเราไป ศึกษาไปนะวันหนึ่งเข้าใจแล้วก็ต้องไปบอกต่อหน้าที่ของชาวพุทธทําประโยชน์ของตนเองทําประโยชน์ของผู้อื่นทําประโยชน์ของเราเองแล้วลราก็เผยแผ่ออกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจนํานวนมากท่านใช้คํากว้างกว่านั้นอีกนะบอกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมนุษย์และเทวดาหรือของเทวดาและมนุษย์เราไม่ต้องไปโปรดเทวดานะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเทวดาเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องขี้เกียจยุ่งด้วย เราแค่สอนมนุษย์เราก็ปางตายแล้วเพราะมนุษย์ยุคนี้นะหนาจริงๆ <c oughs> คำว่าหนานะคือคำว่าอะไรคือคำว่าปูถุชนนั่นเองปูถุชนแปลว่าหนาคนหนาแต่ว่าอาศัยธรรมะใช่ไหมค่อยๆขัดค่อยๆล้างก็ค่อยบางกราไปเรื่อยกนะ็ค่อยสะอาดหมดจดนะทีแรกเหมือนตุกตาฝังดินอยู่ มอมแมมดูไม่ได้นะหลวงพ่อก็ค่อยเอาน้ำล้างไปเรื่อยนะทั้งล้างทั้งเช็ดทั้งขัดทั้งถูบางตัวมันก็ไม่ชอบนะ้ำบางตัวมันก็โดดลงน้ำคลำไปก็มี <c oughs> ศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาไปนะคนไหนตั้งใจจริงวันหนึ่งก็จะได้ผลเหมือนเราขึ้นยอดเขาขึ้นไปยอดเขาไม่ใช่ทุกคนขึ้นยอดเขาได้บางคนก็เดินเดินแล้วพลัดตกเหวไปเลย แทนที่จะขึ้นข้างบนลงล่างไปเลยก็มีนี่พวกไม่มีศีลไม่มีธรรมบางทีมาฟังธรรมะ ก, ก็มาหลอกมาลวงอะไรเงั้นไม่มีศีลมีธรรมลงเหวไปอีกลงต่ําไปบางคนไม่ลงต่ําไม่ขึ้นสูงนะเลาะ อ, อยู่เชิงเขาไปเรื่อยเลาะาะไปเรื่อยนะคือภาวนาแบบเขาเรียกว่าพาวนากันตายภาวนาไปวันๆหนึ่งส่งเดชไปก็แล้ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะอีกพวกหนึ่งนะขยันอยู่ช่วงหนึ่งเหมือ น, นคนขึ้นเขามาขยันนะขึ้นเขามา ขยันอยู่พักเดียวแล้วก็หยุดแล้วเอาละอยู่มันกลางกลางเขานี่พอละนี่มีหลายพวกนะพวกที่อึดจริงๆอ่ะจะขึ้นยอดเขาได้ก็ขึ้นได้แล้วโอ้ยทําไมมันโง่เหลือหลายวะไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างทําไมมันไม่ขึ้นมานะกได้แต่ประกาศเปล่าๆนะมาเถอะมาเถอะนะมันมีความสุขรออยู่ข้างหน้าอมหาศาลเลยแค่ฟังธรรมะมีสติขึ้นมาจิตใจก็เริ่มมีความสุขมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองซึ่งตัวเองรู้สึกได้ คนในบ้านในครอบครัวรู้สึกได้นะเพื่อนฝูงญาติมิตรทั้งหลายรู้สึกได้คนที่มาวัดหลวงพ่อนะมาเรียนเรียนอยู่ไม่นานหรอกเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างมากมายมันจูงใจให้คนที่บ้านตามมันด้วยมากันที่นี่มาเป็นครอบครัวเยอะมากเลยนะจนเหมือนที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองนะะ้า่ากันมาเป็นครอบครัวมาแล้วก็มาปิกนิกด้วยนะมาเจอคนโน้นเจอคนนี้นะหาข้าวมาแบ่งกันกินนะมีพักมีพวก ยังดีนะบางคนมาหาแฟนนะถ้าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็จะไล่ไปมาหาแฟนในวัดนะแต่มารู้จักกันแล้วไปจีบกันนอกวัดเราไม่ว่านะอย่ามานั่งจีบกันในห้องนี้ไม่ได้นะมีเป็นการไอ้หนุ่มบางคนนะเห็นสาวคนนี้สวยทําเป็นมานั่งหลวงพ่อพูดไปก็พยักหน้าไปใจมันก็อืทําไงเขาจะคุยกับเราวนะอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ละมันหลอกลวงธรรมะแล้วนะ ย่งสิ่งซึ่งมีประโยชน์มากนะคือธรรมะนะของอื่นๆอย่างนั้นๆแหละเนี่ยหาไปนะก็เสร็จแล้วก็มาเลี้ยงลูกเนี่ยดูสิจะอยู่วัดก็ไม่ได้ <c oughs> เวรกรรมแท้ๆเลยภา <c oughs> วนานะศึกษาไปอ้าวตรวจกันบ้านคุณแต้มเออเมื่อวานเห็นความเป็นนตาของจิตคะ่ะพอเดินอยู่ทั้งวันรู้สึกมีสติได้ดีแล้วพอจะกลับไปกรุดเนี่ยจะไปปิดประตู ซึ่งวันแรกเนี่ยเห็นแล้วว่ามีตุกแกซ่อนอยู่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจแล้วพอส่องไฟฉายไปที่ตุกแกก็ตกใจอีกเห็นว่าถึงแม้เตรียมตัวยังไงก็ตกใจอมันทำไม่ได้มันเป็นของมันเองแต่ก็เห็นเห็นว่าจากนั้นก็สติก็กลับมาแล้วก็ดีมากนะคือเราไม่ใช่ฝึกจนไม่ขาดสติไม่ขาดสติไม่ได้เราเราไม่ใช่พระอรหันต้องขาดสติบ้าง ขาดสติแล้วเราก็รู้ไปเมื่อกี้มีสติตรงนี้ขาดสติตรงนี้ขาด ส, สติเดี๋ยวมีสติเลยสับไปเรื่อยๆเกิดดับไปเรื่อยๆปัญญามันถึงจะแจ้งทุกอย่างเกิดแล้วดับดีแล้วคุณแต้มอ้าวดาวอีกนิดนึงค่ะหลวงพ่อเชิญอมระหว่างระหว่างเดินเนี่ยคะ่ะอมดูความคิดไปอะค่ะ ปเดียวเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงแล้วก็จริงๆอันนั้นมันไม่ใช่ดูความคิดมันดูจิตคิดดูจิตค่ะดูจิตคิดถ้าดูความคิดจะไปดูเรื่องราวเราดูจิตคิดเดี๋ยวแป๊บมันก็หลงแป๊บหนึ่งก็หลงเนี่ยดูจิตคิดแล้วก็มาสรุปกับตัวเองได้ว่าเรื่องที่คิดนี่ก็คือเรื่องราวของอะไรที่เราไปคลุกเคล้าอยู่เรื่อยๆใช่การสะสมนั่นเองใช่นะชอบคิดเรื่องเก่าใช่ไหมคิดเรื่องซ้ำซ้ำซากๆกคิดแล้วคิดอีก วันียนเนแสดงว่าเริ่มแก่แล้วถ้าเด็กมันก็คิดจินตนาการไปถึงอนาคตใช่ไหมมันก็คิดซ้ำซากคือมันคิดถึงอนาคตอย่างซ้ำซากใจมันก็จะไปตามความเคยชินก็คืออนุสัยนั่นเองใช่ไหมอนุสัยหน้าที่เราเนี่ยรู้ไปจนปัญญามันแจ้งนะมันทําของมันเองมันคิดของมันเองมันไม่ใช่เราตัวที่คิดก็ไม่ใช่เรานะความคิดก็แค่สมมติบัญญาติ่เลื่อนลอยๆอเหมือนความฝันใช่ไหม ร่างกายจิตใจไม่มีตัวเรานี่เราฝึกไปเรื่อยนะมีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจไปเห็นแต่มีสภาวะธรรมแต่ไม่มีตัวเรามีรูปมีนามไม่มีตัวเราดูไปจนแจ้งแจ้งแล้วพ้นทุกข์ก็พอดูแล้วรู้ว่าหาลวงพ่อว่าเราเนี้ยมันไม่ยอมรับที่แปลงตรงว่าเราไม่ยอมรับอะความเป็นเรามันผุดขึ้นมามันมีเราจริงๆเ <c oughs> ออเนี้ยไม่ใช่พระโสดาบันว่าไปไม่ใช่ แล้วก็คือพอเกิดสภาวะอะไรเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปดับแปลงความในธรรมถูกต้องและดีที่รู้ทันน ะ, ะสิ่งที่ผิดนะในเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมีผิดอยู่สามช่วงก่อนทําระหว่างทําหลังทําแล้วถูกอยู่ตรงไหนอ่ะ <c oughs> ผิดสามช่วงก่อนทําเนี่ยจะอยากรู้ก็จงใจไปดักดูไปรอดูไปเฝ้าดูนะียอันนี้ผิดระหว่างทํานะถลําลงไปลงไปเพ่งลงไปแช่นะ พอรู้สภาวะแล้วแทรกแสงแทรกแสงอนยะ่างเช่นใจมันหลงไปใจมันหลงไปพอรู้ว่าหลงรู้แล้วแทรกแสงแนละ้วนะบริกรรมใหญ่กลัวมันจะหลงอีกหนะลงหนอหลงเนอคิดเนออะไรอเงี้ยนะหรือพุโทโธพุโทโธอะไรนี่แทรกแสงนะมันอดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันรักตัวเองนะดูไปด้วยนะรักอะไรก็ทุกเพราะนั้นแหะ ฟ้าอยากจะทำอะค่ะหลวงพ่อมันกลัวจะไม่ใช่เ่อของฟ้าคแต่ว่าหลวงพ่อคะสังเกตอย่างหนึ่งคือตอนที่รู้ไม่ทันเนี่ยคือตอนที่จิตไปยึดอะไรค้างเอาไว้ตรงนั้นน่ะใช่ไหมคะแล้วพอมันเปลี่ยนสภาวะไปเพลิ่เพลืมๆไปมันก็หลุดออกมาเองจริงๆแล้วไม่ว่าจะยึดอะไรนะสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงการยึดอันนั้นก็ไม่เที่ยงกนระทั่งความทุกข์นะเวลาที่พวกเรามีความทุกข์ในชีวิตแล้วเราไม่รู้จะทํำยังไงอดทนไหม ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเชื่อหลวงพ่อสิความทุกข์สักวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปเพราะนบางคนนะวัยรุ่นอกหกักรักสลายแฟนมีกิ๊กอะไรอย่างนี้มีความทุกข์มากแทบจะฆ่าตัวตายอย่าเพิ่งฆ่านะอยู่ไปอีกสักสองปีดูซิมันจะทุกข์เหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ทุกข์อ่ะมันก็จะค่อยๆหายจําไม่น่เวลาเรามีความทุกข์อ่ะความทุกข์อยู่ชั่วข่าวใช่ไหมไม้นุ่ม อารมณ์ทุกขอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแหละถึงวันหนึ่งมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรคงที่หรอกทั้งด้านดีและด้านเลวมันอยู่ที่สติปัญญาเราเข้าใจมันเราเข้าใจมันเรารู้มันไปเราไม่คลุกกับมันหลวงพ่อคัดที่ฟ้าที่ฟาคิดไว้ในใจอย่างเนี้ค่ะว่าจะดูอย่างที่มันเป็นเหมือนที่หลวงพ่อสอนค่ะพอทำเกินพอลงมือทําจริงมันอดไม่ได้ เพราะอะไรพระจิตเป็นอนัตตาเราสั่งไว้นะเธอจงสักว่ารู้สักว่าเห็นนะมันไม่เป็นหรอกนี่ยเราดูจนเรารู้ความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ดูจนเป็นเชื่องนะเรานี่เชื่องหรอกอ้าวคนนี้ทําไมวันนี้อยู่วัดเยอะมากการ น, ำน้ำใจหลวงพ่อค่ะที่มาอยู่วัดนี้เนี่ยสองวันนี้เนี่ยก็ทั้งเดินทั้งนั่งนี่เนี่ยสังเกตรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยออพอ ดูลมหายใจปุ๊บแล้วเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้เดินได้นั่งเนะไม่ต้องมาเดินมานั่งที่วัดได้ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันแป๊บแป๊เหมือนไม่ได้ไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาอยู่วัดรู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยพอเดินไปหรือว่านั่งไปนี้เนี่ยมันจะดูลมหายใจแล้วมันมันรู้สึกขึ้นมานี้เนี่ยอทําแบบนี้แล้วมันรู้สึกเหมือนมันจะกลับมาที่ลมอีก โัต น, นมิเพราะว่าจิตมันคุ้นที่จะรู้ลมเราก็รู้ลมไปนะแต่อย่าไปเพ่งใส่ลมรู้ลมเล่นๆพอรู้ลมเล่นๆ เ, เนี่ยเดี๋ยวจิตก็จะหนีไปจากลม แ, บบแลวบๆเราก็รู้ทันว่าหลงไปอีกพอรู้ทันนะมันจะกลับมาอยู่ที่ลมก็ไม่ว่ามันมตรงที่มาอยู่กับลมแล้วไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่าอยู่กับลมจนจิตไม่ยอมหนีไปไหนเลยอย่างนั้นเรียกว่าติดลมแล้วพอทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะ มันทวัสสูดลมหายใจแรงๆงเลยค่ะทุกครั้งเลยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นช่วงๆเครยตัวช่างมั น, ปนไปเลยเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเรา <c oughs> ค่ะแล้วก็ก็มันจะรู้สึกแบบนี้ตลอดตลอดเวลาทีนี้พอเมื่อวานี้เนี่ยตอนเย็นเนี่ยค่ะพอดูไปสักพักหนึ่งมันก็เป็นแบบนี้อีกแล้นี้มันมีอีกแว บ, บหนึ่งที่มาบอกว่า มันหายใจไปเองมันแว๊บที่มาเองก็เลยไม่แน่ใจว่าเนี่ยนั้นจะรู้จริงหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองอีกแล้วคิดมากแล้วรู้ไปหลังนั้นแหละถูกแล้วนะคต้งองแล้วเ <ขอ S 1> ชิญไปาทานข้าวไปแปดโมงพอดี